ไม่ควรดูหมิ่นบาป พ, พระพุทธภาษิตมาวะมันเยทะปาปัสะนามตังอาคัมิสติอุพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติปูรติพาโลปาปัสสะโทษังโทกังปิอาจิณังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ํา ย่อมเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดชั้นใดคนพ่านสั่งสมบาตทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปชั้นนั้นอธิบายความบาปเล็กน้อยเพียงไรก็ชื่อว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนอุจจระปัสสวะน้ำเลือดน้ำหนองเล็กน้อยเพียงไรก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดโสโครกอันหนึ่งโดยธรรมดาของมากย่อมมาจกของน้อยก่อนเมื่อสะสมนานเข้าหลายๆน้อยก็กลายเป็นมาก ท่านเปรียบเหมือนน้ำหยดลงภาชนะทีละหยดเมื่อนานเข้าภาชนะนั้นย่อมเต็มได้ท่านองเดียวกันคนมันสั่งสมบาปย่อมเต็มไปด้วยบาบกลายเป็นคนบาปหาสิริมงคลในต น, นไม่ได้จึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนสำหรับภิกษุพึงเห็นตัวอย่างเรื่องนาคาเอระกับปัตซึ่งสมัยหนึ่งเป็นภิกษุนั่งเรือไปในลาน้า เอามือไปจับตะไคร่น้ำทำให้ใบาขาดมิเด็บลงอาบัติเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาจวนตายมีความรู้สึกเหมือนใบตะไคร่น้ำมาพันคอจะหาใครปลงอาบัตก็ไม่มีตายลงขณะที่จิตมีวิปัิสารคือเดือดร้อนใจว่าได้ทำความชั่วไว้ไปเกิดเป็นนาคอันเป็นกำเนิดเดรัจฉานผู้ไม่ประมาทควรมีสติระวังเรื่องเล็กน้อย เห็นเรื่องใดไม่ดีไม่เพียงเล็กน้อยก็รีบระงับเสียก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตทํานองน้ําพึ่งหกหยดเดียวทําให้เกิดการทะเลาะกันทั้งเมืองอันหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าโรคภยครัยไข้เจ็บต่างๆจะเริ่มจากเป็นเล็กน้อยก่อนแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบบําบัด ร, รักษาเสียจนลุกลามมากขึ้นยากในการรักษาบางทีทําให้ถึงตายด้วยโรคนั้นความรักความชังความโกรธและความพยายามย่อมเกิดไปทีละน้อยก่อนทั้งสิน้น ถ้าระงับได้บันเทาและละให้หมดไปก็เป็นอันหมดไปปล่อยไว้มันก็จเจริญเติบโตมั่นคงขึ้นตามวันเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้มากแลว้วแก้จะแก้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบาปไม่ควรดูหมิ่นเลยทีเดียวควรกลัวควรหลีกเลี่ยงเหมือนคนมีในตาดีหลีกทางอันเต็มด้วยกวากนามและลมเลนพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารบภิกษุผู้มีถนอมบริหารมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าภิกษุนั้นเมื่อใช้ของเป็นต้นว่าเตียงคือที่นอนตังและแก่ที่นั่งณที่ใดอันเป็นภายนอกห้องแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั้นไม่เก็บไม่ถนอมใช้บริหารเหล่านั้นย่อมเสียหายไปเพราะแดดบ้างเพราะฝนบ้างเพราะสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้างเมื่อเพื่อนภิกษุด้วยกันเตือนว่าธรรมดาภิกษุเมื่อใช้ของแล้วควรเก็บงำให้เป็นที่ และปลอดภัยเธอกลับกล่าวโต้แย้งว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรดังนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างเดิมพิสูจนทั้งหลายจึงนำความนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสเรียกพิสูจผู้ไม่ถนอมบริขารมาตรัสถามแม้ต่อพระพักพระศาสดาเธอก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเรื่องเล็กน้อยบริหารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไร รัตถาโคตเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุทําอย่างนั้นหาควรไม่ไม่ควรดูมิ่นบาปว่าเล็กน้อยเพราะคนทําบาปอยู่บ่อยๆจากทีละน้อยนั้นย่อมกลายเป็นกองบาปที่ใหญ่โทได้เหมือนภาชนะที่เปิดปากทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงแม้จะไม่เต็มด้วยน้ําฝนเพียงหยดเดียวแต่ก็ต้องเต็มเพราะหยดฝนหลายหยดรวมกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวมันเยถะปาปะสะเป็นอาทิ มีนยะดังพนาณามาแล้วแต่ต้น